สัมมเนนน่ะเดินตามภาษารีบุตรไปเดินตามภาษารีบุตรไปบินทบาทเห็นชาวนาเอาน้ำเข้านาก็ตั้งคําถามภาษารีบุตรตั้งคําถามกับภาษารีบุตรว่าท่านอาจารย์เขาทําอะไรครับชาวนาเขาเอาน้ำเข้านาเขาเอาเข้าไปทําไมครับเขาเอาไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ของเขาน้ำมีจิตไหมครับน้ำไม่มีจิตปึ๊บคิดเลยดูสิคนมีปัญญามีแต่จะฝึกจิตตัวเองน้ำไม่มีจิตแท้ๆเขายังเอาไปทำประโยชน์ได้เขายังบังคับควบคุมได้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สินะ่ะปักเข้ามาที่จิตตัวเอง เดินไปอีกก็ทบทวนอยู่ตลอดเลยนะมันย้ำตัวเองนะจิตเราต้องฝึกได้สิจิตเราต้องฝึกได้สิเนี่ยไม่ได้คิดไปทางอื่นเลยนะถ้าใครมัวแต่ปล่อยจิตทะเลทไลายไปทางโน้นทางนี้่แล้วสมาธิมันจะเกิดได้ยังไงอะ่ะก็ตัวเองปล่อยจิตตัวเองอะ่ะให้มันทะเลทลายออกไปอะ่ะจิตมันไม่มีสมาธิอารมณ์ต่างๆมันก็ครอบงำจิตกุมลุมจิต แล้วก็ยังปล่อยจิตปล่อยใจถลําเข้าไปคิดนึกปรุงแต่งมันก็วนเวียนเรื่องเหล่านั้นก็วนเวียนอยู่ในจิตอ่ะแล้วมันจะดับไปได้ยังไงอ่ะไอ้นี่สามเณรอายุแค่เจ็ดขวบอ่ะอายุเจ็ดขวบอ่ะคิดดูกันแล้วกันเขาเห็นน่ะเห็นว่าจิตนี่มันฝึกได้มันต้องฝึกได้สิต้องฝึกได้สินี่เนี่ยมันต้องเชื่อมั่นว่ามันต้องฝึกได้ ไอ้ที่มันไม่เชื่อมั่นคือมันอ่อนแออ่อนแอก็มาจากไหนล่ะแม่มันไม่อยากพูดเลยนะไอ้คําว่าโง่เนี่ยมันไม่อยากพูดนะเนี่ยเอเตก็พูดไปแล้วนะเนี่ยคือมันโง่จริงๆอะมื่อยรู้ว่าจะว่าอย่างไงขนฉลาดมันต้องเข้มแข็งรู้ว่ามันมันความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องดับต้องฝึกจิตเนี่ย อันนี้จะเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยเดินไปอีกเห็นช่างลูกสรดัดลูกสร อ, อาจารย์ครับเขาทําอะไรเนี่ยตั้งคำถามอยู่แล้วช่างลูกสรเขาดัดลูกสรเขาดัดทำไหมครับเขาดัดให้มันตรงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ยิงสัตว์ทางหลาย ด, าด้าลูกสรมีจิตไหมครับ เขาอย่างเดียวเลยปักเข้าไปที่จิตเลยนี่แสดงว่าจิตที่มันมุ่งมัน่นมันไม่ไปทางอื่นเลยมันจาะเข้ามาที่จิตเนี่ยลูกสอนไม่มีจิตแน่อาจารย์ตอบอย่างนั้นปับ๊บตึ๊บเข้ามาแล้วลูกสอนไม่มีจิตแท้ๆมันยังดัดให้ตรงได้ยังบังคับได้ยังเอาไปทำประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิเขาไม่ง่สามเณรบัณฑิตสามเณรมันไม่ง่ มันจึงรู้ว่าต้องฝึกจิตตัวเองแล้วเชื่อมั่นว่าจิตตัวเองต้องฝึกได้อายุเจ็ดขวบจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิเดินไปอีกช่างไม้ถากไม้อาจารย์ครับเขาทำอะไรช่างไม้เขาถากไม้เขาถากทำไมเขาเขาถากให้มันตรงไม้มีจิตไหมครับนั่นมันอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยไม้ไม่มีจิตเนี่ไม้ไม่มีจิ ต, จตโอ้ไม้ไม่มีจิตนี่เขายังดัด ถากให้มันตรงได้ยังทําให้มันตรงได้เอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สี่นี่ตึบเข้ามาเลยเนี่ยมัน ม, มีก็มีกําลังอ่ะมันมีความเข้มแข็งอ่ะมันมุ่งมั่นแล้วล่ะยังไงยังไงต้องฝึกให้ได้นี่จิตมันตึบเข้ามาแล้วเนี่ยกําลังมันมากพอแล้วเนี่ยมันไม่ซัดสายไปทางอื่นเลยถ้าอาจารย์ครับผมขอกุญแจครับนัน่นไปถึงก็เจาไปหาจิตเนี่ยจอก็ไปหาจิต ก็เห็นว่ามันไปจากจิตหมดแหละจิตมันไปยึดพอควบคุมจิตได้อะไรโผล่มา ก, ก็เห็นแล้วมันเกิดเห็นมันดับจิตก็วางวางวางไปถึงจุดหนึ่งอริยมรรครวมเป็นหนึ่งตึบบรรลุปโสดาบนดูต่อไปอีกก็เห็นนี่แหละาการเกิดดับของขันห่านี่แหละมันทํางานกันอันนั้นเกิดขึ้นจิตจะวิ่งไปยึดมันเห็นเห็นว่ามันไปดูแล้วมันก็ดับไป ความคิดเกิดแล้วก็ดับไปอะไรเกิดแล้วดับก็วางวางวางก็ปล่อยสิมันจอเข้าไปข้างในแล้วมันไม่สนใจข้างนอกแล้วดูความคิดเกิดดับดูอันนั้นเพลินไหลไปนั้นมันมีสมาธิกำลังมันไม่พอละความเพลินนี่มันความเพลินหนุนมันอยู่ลึกๆหนุนความเพลินชนิดที่มันขยับจะออกไปมันทันกันหมดอ่ะมันไม่ใช่ไอ จิตที่มันไหลไปไนี่มันขั้นต้นๆเล็กๆน้อยๆอ่ะมันต้องมีสมาธิต้องมีกำลังพอมันจึงละความเพลินได้จิตที่มันไปยึดไปติดไปคองหนุ่นมันละเอียดอ่อนไปเอาไอ้ธรรมะที่มันขั้นพื้นฐานขั้นต้นๆไปอธิบายธรรมะชั้นลึก ที่มันจะดับทุกได้มันคนละเรื่องเพราะนั้นต้องนี่เข้มแข็งพอที่จะปฏิ บ, บัติจิตของตัวเองให้ได้อรอยิยมรรครวมกันเป็นครั้งที่สองคือเห็นยสะสสีครั้งที่สองอามรรครวมเป็นหนึ่งป่าหนกิเลสได้ครั้งที่สองกับพระสกทาคามีตอนพระนนาคามีปล่อยวางกายได้แล้วปล่อยวางรูปเสียงจิตลดสัมผัสได้แล้วคราวนี้ก็จ่อเข้าไปหาจิตภาษาลิบุตรจะกลับมาแล้วทีนี้ กลับมาแล้วพระพุทธเจ้าตรวจสอบดูก็รู้แล้วว่าสามเณรกําลังพิจารณาเพื่อความเป็นอรหัตตมรักถ้าภาษาลีบุตรมาจะต้องเรียกเนนมาฉันพัตตาหารจะต้องทําลายอรหัตตมรักของสามเณรออกมารอที่ประตูเดินจงกรมประตูวัดมาเดินจงกรมรอที่ประตูวัดพอภาษาลีบุตรมาถึงกระทักทายพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทวงเวลาเอาไว้พระพุทธเจ้าก็ตรวจสอบดูด้วยเนี่ย สามเณรปั๊บบรรลุเป็นพรหาหันตึบพระพุทธเจ้าตัดทันทีเลยนะชาวนาเอาน้ำเข้านาช่างลูกศรดัดลูกศรช่างไม้ถากไม้บัณฑิตฝึกจิตตัวเองนี่พระเจ้าสรรเสริญคนที่ฝึกจิตตัวเองแล้วการฝึกจิตเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรเพราะจิตมันเร็ว มันเร็วจนกระทั่งเหมือนว่าจะฝึกไม่ได้แล้วทำไมพระเจ้าฝึกได้ล่ะองค์แรกเลยเนี่ยฝึกได้คนที่สงสัยเนี่ยว่าฝึกไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สาวกพระพุทธเจ้าจริงความเชื่อมันไม่เชื่อมั่นในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปมันก็ไม่ได้ผลเพราะศรัทธามันอ่อนมากศรัทธามันต้องประหารความไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายังทาได้ ในอดีตสาวกของพงก็ทําได้ปัจจุบันก็ทําได้มีแล้วเราจะเอาหรือเปล่าอ่ะถ้ารอมไม่เอาก็เอาไม่ได้ไม่ได้ก็ไปเสพไปเสวยอะไรตามกิเลสตัณหาอุปาทานของตัวเองต่อไปสิก็ทุกต่อไปสิปัญหามันมากเข้ามากเข้ามันควบคุมไม่อยู่มันก็ทุกหัวปักหัวปําลงไปสิโทษใครไม่ได้โทษความอ่อนแอของตัวเอง ถ้าจะเดินตามทางวิญญาก็ต้องเข้มแข็งขึ้นมาสิสามเณรอายุเจ็ดขวบยังสามารถเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติได้สามารถที่จะปลุกใจตัวเองให้เข้มแข็งปฏิบัติได้ตอนที่ออกปฏิบัติก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถบรรลุอะไรได้แต่มันมีความตั้งใจอยู่ในจิตเนี่ยเหมือนกราบพระอธิษฐานนปัฒนาพ้นทุกเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกในวัฏสงสารด้วยเทอด เมื่อพ้นจากทุกข์แล้วจะช่วยศาสนาไอตอนที่บ้าจะช่วยศาสนานี่คือมันต้องการกำลังใจมันกลัวจะไม่พ้นมันก็เลยเอาอันนี้ยกขึ้นมาในความรู้สึกของตัวเองนะมันจับได้ว่าอ๋อมันจะทําประโยชน์เพื่อศาสนาเพื่อให้จิตตัวเองมีกําลังว่าจะอาศัยไอไอเนี่ยไอตรงนี้มาช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถปฏิบัติพ้นทุกข์ได้ แล้วไม่ได้มีใครบอกให้อธิษฐานด้วยมันเกิดขึ้นเพราะมันอยากจะพ้นทุกข์อธิษฐานมันกลาพามื่อะไรอธิษฐานเมื่อนั้นปกาพามื่อะไรอธิษฐานเมื่อนั้นจิตมันก็มีกําลังสิเพราะมันหล่อห ล, อ, ลอมของมันเวลามันจะทําอะไรไ อ, ไอ้ตัวคําอธิษฐานของเราเนี่ยมันยับยั้งเอาไว้ทําอย่างอื่นไม่ได้จะไปทะเลทลายเอาไปเดี๋ยวมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันผิดจากความตั้งใจของเราผิดจากปณิทานของเรา มันก็เข้าใจพระพุทธเจ้าเหตุผลอันหนึ่งที่พระเจ้าต้องตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องการที่จะตัดสั้นุธรรมะที่จะดับทุกข์ในพระทยนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ก็เอาสิหล่อล้อมจิตวิญญาณของตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นมาสิให้มันจริงจังขึ้นมาสิเนี่ยได้ยินว่ามาแล้วก็ยังมาทําอ่อนแอมาทำเหยาะแยะ่หล่อแหลมมันน่าเบื่อหน่าย ทำตัวเหลวไหลไหลาสาระไม่เป็นประโยชน์คนที่ตั้งใจก็มีก็อย่ามาทำลายบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมสิไปที่ไหนก็ได้นี่อยากซัมมเลเทเมาอย่างไรก็ไปทามาที่นี่ก็ต้องมาพากันปฏิบัติสิเนียกิเลสมันดื้อด้านขนาดไหนดูสิมันดื้อมันด้าน ถ้าไม่เข้มแข็งไม่เด็ดเดี่ยวไม่จริงจังอ่ะเอาชนะมันไม่ได้เรวจะไปหลงว่ามันเป็นเราเหรอไปทําตามมันอยู่เหรอกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะทําให้เราดีได้เหรอพระพุทธเจ้าเขาว่าอ่อนแอไม่มีเลยเด็ดขาดมีแต่ความจริงจังมุ่งมัน่นกว่าจะตรัสรู้ทาได้ วันที่พระองค์จะตัดสรุกระสลชีวิตเลยอ่ะปูที่นั่งลงไปปูยาขาแปดกำมือลงไปนั่งปั๊บลงไปแม้เนื้อเลือดเจือหุ้นแห้งเหลือแต่นหนังเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกำลังของรูปผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบันลังแล้วสาวกของพระองค์อ่ะมนมีความจริงจังหรือเปล่า เราตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วอ่ะมันเป็นผู้ใหญ่แต่ร่างกายเนี่ยจิตใจเหมือนเด็กเหมือนเด็กอมมือความคิดความอ่านมันไม่มีความอาหารเพราะตัวเองอะ่ะมันปล่อยจิตให้อ่อนแอไม่ทําแต่ในสิ่งที่มันเหลวไหล มันไรสาละมันไม่มู่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องสําหรับคนที่มุ่งที่จะพัฒนาตัวเองทําให้จิตของตัวเองมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นความทุกข์มันถึงจะไม่มาครอบงําจิตได้นี่มันถึงเวียนว่ายตายเกิดในวัตาสงสารก็เพราะอย่างเนี้ยอ่อนแอยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหา ไ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นยางเหนียวมีความอยากไปทำตามมันความอยากมันก็ครอบงำจิตเนี่ยกำลังมันมากมันก็ดึงจิตไปจูงจมูกไปจูงไปทางโน้นจูงไปทางนี้วิ่งตามมันไปหลงคิดว่าตัณหาเป็นเราเวลามันคิดขึ้นมามันก็บอกว่ามันจะทาเพื่อเราเออ อยากให้เรามีความสุขเราได้นูน่นได้นี่จะมีความสุขเราก็ไปหลงคอยตามตัณหาดูสิไม่รู้ว่ามันคือตัณหาคิดว่ามันเป็นเราเป็นเราเป็นเราแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะแก้ได้อะผจึงต้องเอาจิตกลับมาดึงจิตกลับมานี่แหละคือทำให้จิตเป็นสมาธิเอาจิตกลับคืนมาอยู่กับตัวเองปล่อยจิตให้ไหลไปนะั่นแหละไปกับตัณหา เบื้องหลังของมันก็คืออวิชชาความหลงความโง่มันก็หลอกเอาตันหาก็หลอกเอาหลงว่ามีเราตันหาก็บอกว่าจะทําให้เรามีความสุขก่อนนั้นเอาจิตกลับมากลับมาอยู่ตัวเองออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นนี่เรียกออกมาจากกามสุขออกมาจากความหลงถ้ามันกลับเข้ามาแล้วมันถึงจะเข้าใจว่าเออที่เราเอามานี่เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ให้ไปเรายึดติดข้องมัน ไปรุ่มไปหลงมันไปรุ่มหลงมันแล้วมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยของมันจิตของเราหนิขั้นต้นนี่มันก็ต้องเอาให้ได้ซะก่อนเอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองให้ได้ซะก่อนทำให้มันกลับมามันก็ไหลไปกับอารมณ์เนี่ยนี่เรามันเพลินไปกับอารมณ์อ่ะไหลไปกับอารมณ์นี่ของเอาจิตกลับมามาก็คุมไว้นั่นมันมีขั้นตอนของการปฏิบัติอยู่เนี่ยปล่อยมันไม่ได้ นอกจากว่าคนที่จิตมันมีกําลังแล้วมันปล่อยปล่อยแล้วดูเฉยเฉยได้อ่ะจิตมันมันไปพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นของมันเองมันไม่ต้องคุมอะไรเลยอะปล่อยมันจะสอนตัวเองได้ด้วยไอ้จิตเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นของมันอ่ะจนกระทั่งมันไม่มีทุกข์มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ว่าฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้พอมันขี้เกียจสอนตัวเองให้อ่อนแอ มันต้องเป็นนักต่อสู้เชื่อเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าพรุทธเจ้าตัดสรุองค์แรกประทานคำสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยคำสอนเหล่านั้นก็ยังอยู่จะปฏิบัติาตามจะปฏิบัติาตามเอาซี่ที่นี่พิสูจน์ได้เลยแล้วถ้าเดินตามทางพระุทธเจ้ามีแต่จเจริญขึ้นอย่างเดียวไม่มีเสื่อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเลยเนี่ยเราเชื่อเลยนะไม่ ไม่มีทางอื่นน่ะเชื่อในทางของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยใครคิดว่าทำยังไงดีทาอย่างงน้นดีอย่างนี้ดีทาไปเลยนั่นแหละเรื่องของโลกห้ามปรามไม่ได้พูดไม่ได้เขาไม่ต้องไปพูดก็ต้องปล่อยไปนั่นนี่พระพุทธเจ้าอสอนเฉพาะเวนยสัตว์ผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยคือมีปัญญามากพอที่จะรับฟังคำสอนของพรพุทธเจ้าพอที่จะ เอาคำสอนไปประพฤติปฏิบัติตามได้นี่มันต้องศรัทธามาก่อนศรัทธาเชื่อมั่นในการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าทีนี้มันก็มีวิทยะมีความเพียรขึ้นมาจะปฏิบัติตามปฏิบัติก็คือพยายามเจริญสติ น, นัสติแลมันก็จะคุมจิตสติมันมีหน้าที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ก็คือจิตมันอยู่กับตัวเรา คุมจิตได้จิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาอารมณ์ที่มันเคยเพลินไปมันก็หยุดเพลินมันไม่ไปมันถอยออกมาได้แล้วมันหยุดแล้วันกไปเห็นคุณค่าของความสงบคุณค่าของสมาธิคุณค่าของการฝึกจิตแค่เราออกมาจากอารมณ์ได้มันก็เบาไปแล้ว อารมณ์ครอบงําจิตอยู่เนี่ยมันเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของเรื่องนั้นเรื่องนี้เี่ยมันเข้ามาครอบงําจิตเพราะอะไรนี่แหะเพราะปัญญาเราไม่มีเราทุกเรื่องไหนแสดงปัญญาเราไม่มีในเรื่องนั้นมันจึงทุกข์ถ้าปัญญามันส่องเข้าไปถึง่มันไม่ทุกข์มันทุกข์ไม่ได้เลยตัวปัญญาเนี่ยปั๊บยึดเรื่องอะไรจับปุ๊บมามันเห็นเนี่ย ยึดเรื่องลูกเหรอเรื่องสามีเหรอก็เห็นแล้วเนี่ยก็ของตายของที่อยู่ชั่วคราวเนี่ยถ้ามันมีปัญญาของที่มาตามกรรมไปตามกรรมไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆอย่างไงมันต้องพัดพากจากกันอยู่แล้วถ้าเราตายลงไปเขาก็อยู่ของเขาทีแรกก็คาดหวังว่าจะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เรามีความสุข แต่สิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นมนุษย์เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานก็เยอะแยะไปความรักความห่วงใยเดี๋ยวมันก็เบื่อหน่ายกันมันก็เกิดความชิงชังกันได้เมราะมันเปลี่ยนแปลงเราโง่อเองน่จึงว่าทุกข์น่เพราะโง่ คนเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วมันต้องป่วยพราะมันเอาความเจ็บป่วยไข้าตามมาด้วยมันต้องแก่แล้วมันก็ต้องตายเราจะไปทุกข์กับมันทําไมเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ทุกข์ก็โง่เห็นไหมมันมีแต่ความโง่นะทีนี้มันไม่รู้ไม่มีปัญญาเพราะไม่ฝึกจิตไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้านั่นเองพุทธเจ้าท่านไม่ทุกข์ เรื่องอะไรเข้ามานี่ยจิตมันมีปัญญามันไม่ทุกเลยคือมันรู้อยู่อย่างเดียวว่ามันทุกข์ไม่ได้มันจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็โง่ทันทีเลยมันโง่ไม่ได้เพราะมันเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตหมดแล้วเข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างทองแท้แจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมันเข้าใจก็คือมันไม่มีเราดูสี่ เวลามันแคบเข้ามามันไม่มีเราอ่ะพอไม่มีเราแล้วมันก็ไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงสภาวะธรรมก็ไม่มีเราแต่ปัญญาเนี่ยมันขยายออกไปตัวจิตเนี่ยมันสามารถขยายออกไปได้มันเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองมันก็ทำให้เข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสิ่งแวดล้อมความกลัวมันก็ไม่มีความกังวลมันก็ไม่มี ความหวั่นไหวอะไรมันไม่มีนั่นมันไม่มีอะไรที่จะไปหวั่นไหวอ่ะมีแสดงมันฝึกได้ถามตัวเองว่าจะเอาหรือไม่เอาล่ะเอาก็ต้องหาวิธีสิแล้วเกิดมาแล้วมันทุกข์ไหมแล้วอยากออกจากทุกข์ไหมนี่มันก็ต้องถามให้มันแน่ใจถ้าอยากออกก็ แล้วทางออกของมันล่ะคืออะไรนั่นทางออกมันก็คือโพธิปักกิยธรรมสามสิบเจดประการ น, นี่มีทางเดียวมีในาศาสนาพุทธเท่านั้นเริ่มต้นด้วยอะไรสตริปทานสีสั ม, มัปปธานสีอิทิบาทสีสี่ห้ 5, 5, 5, 5. พาพลห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองแปดกลุ่มเดียวกันพูดสติสติเพราะมันเป็นต้นทางของผู้ปฏิบัติ มันง่ายมรแปดนี่กว่าที่จิตมันจะมีกำลังรวมตัวมีอริยมรเข้ามาอยู่ในจิตได้มันใช้เวลาฝึกฝนอบรมซะก่อนแต่สุดท้ายมันก็คืออริยมรนั่นเองอริยมรนี่ฝึกแล้วมันไปทำไมอะต้องฝึกฝึกเพื่อให้มันมีสติปัญญาให้มันมองเห็นความจริงได้มรนี่มันทาให้เห็นความจริงได้เห็นความจริงมันก็ปล่อยวาง ปอยวางมันก็แจ้งชัดในอริยสัจ4ีคือความจริงว่าไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ของเกิดของดับเท่านั้นเป็นเพราะความหลงที่มันเป็นสรรสร้างความเป็นเราขึ้นมานเห็นแจ้งชัดก็วางวางได้แต่ละขั้นตอนก็สมมติเรียกว่ามรคอริยมรคโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลสกคาคามีมรคสัคาคามีผลอนาคามีมรคอนาคามีผลหัตมรคหัตผล ก็ต้องปฏิบัติให้มันเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงมันไม่สงสัยรับปัสซดะบันท่านก็ไม่สงสัยละละมองเห็นทางแล้วรู้ทางแล้วถ้าใครปฏิบัติเนี่ยฟังปั๊บมันจะเข้าใจตรงกันเลยนะมันจะไม่สงสัยซึ่งกันและกันเลยครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ช่างพูดธรรมมามาปั๊บมันลงใจเออมันจะลงใจซึ่งกันและกัน ถ้าอธิบายตามปริยัติเนี่ยมั น, ม, นมันไปตามตัวหนังสืออีอกอันหนึ่งมันอธิบายตามสภาวธรรมอ่ะอาทีนี้จะให้ปฏิบัติเองนะวันนี้ก็จะตีแรงๆโมโหวันนี้เกิดอารมณ์โมโหจะรับายออกใครง่วงไอให้แรงเลยใครกลัวถูกตีแรงๆรีบตื่นซะไม่ตื่นเอาแน่เลย อยู่ข้างหน้านี่มองไปเห็นแล้วเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวทำความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเสร็จแล้วก็ต้องมองเข้ามาข้างในมองเข้ามาข้างในตัวเองมองเข้ามามันก็มีกายกับจิตจิตเราทำอะไรจิตเราอยู่ยังไงจิตเราเป็นยังไงจิตเรากำลังทำอะไรจิตเราดูอะไร มีอะไรเป็นเราบ้างมีอะไรเป็นเราบ้างมีอะไรเป็นของเราบ้างถ้าจิตมันมีกําลังมันมีสมาธิมันตั้งมัน่นจิตมันจะสัมผัสรู้สึกได้สามารถแยกกายออกจากจิตได้นี่เรียกว่าจิตเห็นเห็นว่ากายไม่ใช่จิตไม่ใช่เราเวทนาจิตก็จะเห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่จิต เวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาพวกสังขารพวกเวทนาทางจิตอะไรเกิดขึ้นมาจิตก็เห็นอีกจิตก็เห็นก็รู้สิว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่อาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับทําจิตมีกําลังมองเห็นได้โดยจิตนี่คือตัวปัญญาปัญญานี่คือเห็นแจ้งเห็นชัดว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา จามองเห็นจิตมันก็ต้องหดตัวเห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจิตมันจะหดตัวเหมือนกลับคืนเข้าไปสู่ตัวเองกระแสที่มันออกไปยึดอะกระแสของอุปทานที่มันไปยึดอะมันดับจิตมันก็กลับคืนเนี่ยมันจึงเป็นทางที่จะหลุดพ้นไปเพราะว่าจิตมันปล่อยมันวางได้เห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันก็ยิ่งหดตัวมากเข้ามากเข้า บรรลุมรผลนิพพานก็เป็นอิสระได้จึงจะพ้นกรรมเหนือกรรมเหนือโลกอารมณ์ของโลกไม่เข้าไปทำให้จิตเป็นทุกข์ได้จึงเรียกว่าเหนือโลกเอาสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วใครรู้สึกว่าเออถ้าหากว่ามอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์มันทำให้จิตมันหนักแน่น มันทำให้มีความรู้สึกว่าเออจิตของเราเนี่ยมันมีที่พึ่งจิตของเรามีกาลังเราก็ปักเข้าไปที่จิตของเรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจา้าขอมอกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระธรรมขอมอกายถวายชีวิตอุทิศแด่ประสง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 นี่ไปปฏิธานเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อจิตของเรามันแน่วแน่นี่ปณิธานเนี่ยอธิษฐานก็คือการที่เราตั้งใจด้วยความแน่วแน่จากนั้นก็ขออโหสิกรรมนี่อันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามันผิดพลาดล่วงเกินกันก็ถือว่าขออโหสิกรรมไปด้วย รวมทั้งในอดีตที่ผ่านมาด้วยพบชาติทั้งหลายด้วยอาจจะเคยเวียนเกิดเปียนตายเคยเกี่ยวข้องกันเคยผิดบาปร่วงเกินกันขอโหสิกรรมให้หมดกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยผิดบาปร่วมเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมซึ่งโทษที่ได้เคยผิดบาปร่วงเกินนั้นด้วยเถิด ข้าพเจ้ายินดีให้อาภาัยให้อโหสิกรรมแก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปรวงเกินข้าพเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อาภาัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสิอโหสิอโหสิขับไล่มันออกไปให้หมดไม่ให้มันค้างคาอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็แผ่เมตตาจิต ด, ด้วย คนไหนที่มันโกรธเคืองบ่อยๆพยาบาทบ่อยๆนี่ต้องฝึกแผ่เมตตามากๆหน่อยแต่เมตตามันเป็นธรรมเป็นอุบายทําให้จิตของเรามันมีความสงบเยือกเย็นได้เร็วทาให้จิตเรานุ่มนวลควรแก่การงานเป็นสมาธิง่ายจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญนะอาให้อุทิศบุญเองเลยนะอยากอุทิศบุญให้ใครตั้งใจอุทิศบุญเอง